เทศในคืนวันที่24สิงาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าคุณชวนสอนสงครามวันนี้ท่านทั้งหลายได้ลากรงนาอยไป้ายทาง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 เสียตลาดคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ผึ่งเย็นหรือมีความแน่นหนา ม, มั่นคงสงบร่มเย็นไปไม่ได้เรื่องทานจริงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระโพธจ้าณพระํามลือในเรื่องการให้ทานยกตัวอย่าง โดยเฉพาะก็คือเข้าเวทซันดอนทานเแจกจนไม่มีอะไรจะทานแล้วชาวบ้านเขาไม่พอใจขับหนีจากบ้านต่างเมืองพระองค์ก็ยอมแต่การให้ทานนั้นไม่ยอมเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกดแล้วไม่มีอะไรให้ทานก็ยกคันหาชารีให้ทานแจกทีทุกงั้นจะมีใครจะขอทานต่อไปอีกพระองค์ก็ ไม่สรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเรื่องอย่างของนักปราชญ์จอมปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานก็เหมือนมามันเป็นความจําเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากถ้าขาดทานเสี ย, ยแม้แต่พ อ, อก็แม้แต่ลือกการขาดทานเสียฉละสละความเห็นแต่ตัวออกเพื่อผู้อื่น มีเยาว่าการให้ทานท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลําดับลําดาตามเยี่ยมย่างแต่เพือมีของก็พุทธิจารและนักปราทั้งหลายที่ท่านพอดมนค์มาเนียคือผลละทานเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นผลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก็นับเริ่มแรกมาตั้งแต่วันดํำมิคิดที่จะให้ทานท่านทั้งหลายได้ได้ทานมาเป็นลําดับหลายวัดหลายว่า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 เรินพระเมตตาไปทั่วโลกษาประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระสาสดาของเรานี้ได้สงเคราะห์โลกมาทั้งด้านวัตถุและนามมาทำเป็นเวลาสีภาพระพรรษาจึงได้สด็จฐ์กรณิผ่านต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัทรรทำหน้าที่แทนพระองค์ย้วยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำหร้าบัดนี้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 แล้วคุณบบสุทาา้ายภายหลังเช่นดุจต้าวลันเลนของเราเมื่อเห็นพอมเน่าารดำเนินในทางที่ถูกที่ดีก็เป็นแบบเป็นฉบับเดียึดไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปความจเจริญรุ่งเรืองของโลกก็คือความจเจริญรุ่งเรืองของบุคคลนั่นแหละครับคนทําถูกต้องดีงามความจเจริญของบุคคลความจเจริญของโลกก็มีความเกี่ยวเนื่องกันย่อมจะมีความเจริญและสงบสุขไปได้แต่ถ้าปราศจากความปราศจากศาสนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนี้แล้ว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 เราอยู่ในโลกแห่งกรรมด้วยกันคำว่ากรรมคือการกระทำไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะไม่ใช่สุกตาต้องมีความเคลื่อนไห ว, วไปมาทางกายทางวาจาหรือความประพฤติต่างๆหลักพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทาการกระทาย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วตับคลกันอยู่เสมอในบุคคลคนเดียวแม้แต่สัตว์ก็มีการกระทาเช่นเดียวกัน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 การทำกรรมโดยหลักธรรมชาติหรืออดยอัตโนมัติของตนย่อมมีเสมอการคิดการปรุงการแต่งในทางดีและชั่วตลอดถึงการพูดการจาการกระทาต่างๆย่อมมีความพลาดพิงถึงดีและชั่วเสมอไปเมื่อเป็นฉะนั้นผลจะปิดไว้ไม่อยู่จะต้องแสดงออกในทางสุขทางทุกข์ให้โลกได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนดังที่เราเห็นอยู่ด้วยทุกๆขุ่นามนีแหลเมื่อเป็นฉะนั้น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 กรรมย้งนจำแนแกกสัตทั้งหลายให้เป็นต่างๆกันอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดที่จะจําแนแกแจกสัตว์นอกจากกร ร, รมแล้วมัมีอันใดที่จะมีอํานาจวาสนามาจําแนแกแจกสัตว์ในโลกนี้ได้ให้เป็นไปต่างๆกันนอกจากกรรมที่ตนทําดีชั่วนี้เท่านั้นเพราะนั้นผู้เชื่อตามหลักธรรมจึงเชื่อในการกระทําของตนและพินิจพิจารณาวินิจฉัยในการกระทําของตนตามหลักธรรมท่านว่าว่าท่านว่าไว้ว่านิ ส, สัมมะกระนังไสโยให้แพ่ควรจะก่อนอก่อนที่จะทําสิ่งใดถูกหรือผิดเมื่อแพ่ควร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 เมื่อกมนี้มีกำลังมากก็สามารถสลัดปัดที่เลยดออกจากจิตใจกลายเป็นพระรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนวิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบพสังทางฉนังกระฉามินพุทธทางฉนังกระฉามิก็หมายถึงองค์ศาสดาผู้แตดสรู้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมา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 นี่คือท่านผู้เชื่อกรรมคือท่านผู้สร้างกรรมดีผลก็ปรากฏให้เป็นอย่างนั่นขึ้นมาเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างกรรมดีตามรอยพระบาท ต, ตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากคุณงามกรรมดีที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราทั้งหลายให้มีความเจะเดินลุ่งเดองไปโดยลําดับทั้งพบนี้และภพหน้าเท่า น, นั้นไม่มีอย่างอื่นทันว่ากุศลธรรมมาหมายความว่า ย, ยัางไงอกุศลธรรมมาหมายถึงว่ายอย่างไง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 เราให้ดีเปล่งค้ น, คนขว้าในพุณงามความดีเพื่อให้เป็นดหวักอันดีเป็นเครื่องติดตามเราเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหน้าการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจตเวลาจึงข อ, อยุติเพียงเท่านี้ขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาด้วยความเาสียดฉลาทุกสิ่งทุกอย่างจงได้นําประญินิดพิจารณาและอํานาจทางโกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในสันหลายทุกประการข อ, อยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง ภูราปเรปูเรนติสากรังเอวเมวะอิโตสินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชาตุสะเพปูเรนตูสังกปาจานโพปนะระโสยทามิโชติระโสยทัสพีติโยวิวชานตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีพาโยโกภวะอภิวาทนาศสีติธรรมจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพพสั้งคานุพาเวนะ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 โกคังวุฒิจยศวาสตวัสาจะอายุจะชีวาจิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังขลังาราขานตุสพทะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัพพโสตีภะวันตุเต ความดีที่เราต้องการที่ให้คนอื่นนะที่ความที่ท่านไฮคอนนะฮะจะต้องกวดน้ำด้วยน้ำหรือเปล่าซึ่จะได้ถ้าทำหลักกรรมนี้แล้วเราจะไม่เราไม่กวดน้ำมันก็ได้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 การตรวจน้ำก็การไม่ตรวจก็สิเพราะมันเป็นคำบนระคันระขันคยอาะขันขึ้นไปถ้าเรานที่แย่ใจแล้วเราะไม่ตรวจก็หน้เพราะคำธรรมะเรื่องอนุพิกคาผู้ที่จะแสดงคำขึ้นไปโดยลำดับลำัอนุพิธคาหมายถึงการแสดงคำขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่คำขั้นต่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหัวขึ้นไปรื่นยๆถึงคขั้นสูงสุดแล้วการตรวจน้านี่ก็เป็นคำเปนขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเรอย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 ได้แล้วเลือ่อนได้มุ่งตอบนนั้นคนนั้ น, นไดี<ม>เทปยังเปิดอยู่เลยยังอัดอยู่เลยเนี่ยอัดอัดไปเลือกก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยตอบไปเรื่อยกเ้าต้งสิดเมื่ออบจบน่แน่ใจครับกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เืีเยผมมลในกรรมเนี่ย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 แต่ส่วนที่มันจะปิดด้อยมาตามท่าตามขันนั้นยังเป็นไปได้เช่นท่านนี้นเราเคยทานั่ น, นใจจะ บ, บริสุทธิ์แล้วก็ตามลบล้างเลยแล้วพาณิตใจ น, นะแต่ทั้งท่าทั้งคำมันยติดตามมันได้อยู่ก็มีแต่มันได้แต่เพงเปลืองเงิงเท่านั้ น, นรนูนเมเงิงจริงไม่ได้เห็น ว, ว่างพระพุทธเายังมีเผลอไร แต่เพราะครับคือการชั่วเนี่ยนะฮะเมื่อเราทําไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไ ม, ไม่เราไม่สร้างเลยจริงๆว่าเราได้ทำควาชั่วดีไปแต่พอทําลงไปแล้วนะการทําทำลงไปแล้วพราะคนอื่นจะร้องทำอะไรอย่างไร <c oughs> เราก็ระลึกระลึกผิดในนั้นนะอระลึกผิดในนั้นเราพร้อมที่จะจะให้ ก, ก็เอารปจับไปแต่หูโปแหนอะไรก็แล้วแต่ะอันนั้นจะถือว่าเป็นการลดร่างคามช่วดีหรอใช่ถือเป็นการแก้กันอ เป็นการถูกต้องแล้วเ น, นถูกต้องหืมไอ้ไตับอยู่นีแค่อยู่อยู่แถวน่นโ้โหนั่เฉียตับเย็ <c oughs> นนะใครเขมีแต่เทมเป็นหมนืนเครื่องหนึ่งไปแล้วหรเนี่ยหางเงียไปแล้วหรเนี่ย <c oughs> นี่เนาะป่วยมาวางไว้จนี้ <c oughs> นแล้วเหออนอฮะงานมีจะเทบเต็มไปหมดอัดตรงนี้ทำดีนะเนี่ยอัดตรงนี้ดี <c oughs> นี่อัดไปตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วมันมาอัดถึงนี้แลทีอัดเข้าตรงนี้นี่อะไรอีกอะนี่จะเคลียร์กันมากนะ <c oughs> อาฮะเออคำที่พูดกันว่าเระเบื้องจะเพื่องฟูรอยนั้นเต้าน้อยจะถอยจกเนี่ยจะเอาหลกักการมันที่ฮะกระบื้องจะฟูนั่นหมายก็มั่งไอ้่าไปใช่ไหมมาดมาดขมันก็บกบเบื้องก่ <คน S 2> อนค น, นชั่วจะได้ดีคนดีจะได้ชั่วความไม่ดีเันชั่วเขาจะได้ดีได้งไลงลองว่าสิ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 คือในนี้ครับคนเข้าในสมัยในในในสังคมของไนี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้คนที่มาทำความเร็วนี่นะรวยครับในก็าเป็นขความดีในโลกนี้เลยนะฮะทีนี้ว่าคนที่ทาความดีชื่อจัดจิตชนิมาไส่โกงไม่โกงกินก็ไม่กินกันจนอย่งนั้นก็เป็นโงมีสัตว์รอยังไงลักษณะอย่างนั้นนะเขาเข้าใจ เพราะงั้นเกิดสมมว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องการคํามรวนเนี่ยเข้าไปต้นมงังกรดนเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านีิจะวะอาจารย์ดีไหมล่ะอาจารยพัลลกสิทธ์เขาจะต้นในมงังกรดนเนี่ยเพราะเราเวลานี้เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้นในมองอุดร น, นี่ทั้งเมืองเลยล่ะแล้วเราเบยเงินท่องมานี่อาจารย์มหาบัวนี่จะมีชื่อเสียงบ่งดังไม่ว่าอาจารย์ข้าบริดีมากพัลลกสิทธ์ต้นได้ฮะ ได้ครับอันนั้นมันัดเกินไปครับเราต้อง้มันคัดต้องให้มันชัดอี่เราต้อให้มันชัดอย่างนี้ตัวอย่างนะฮะ้าไม่ก็ถามกันไม่ได้ใช่ไหมกี่เงาโกงอย่างีกงก็เจ้าว่ามันกงอยู่แล้วมันอ่านจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วลูกกัมันโกงอยู่แล้วอาจารย์พาไปปนก็ทราบอาจารย์มาปนอยู่แล้วมันตรงไหนไม่แกลงไหนมันแก้งที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริง โกงพาก็ชาว่ระโกงอยู่แล้วได้เงินมาตั้งร้านตัวร้านได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นนั่นะมันดีแล้วหรืออย่างนั้นถ้าดีก็สอนกันให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกอีกจะได้เจริญเอาคนนั้นผ่านั้นพวกเราในฆ่ากันโกงกันเดียวนี่จะเจริญไหมล่ะโกงโมันมันมันตัวอย่างนี่ครับอาจารว่านั่นแหะตัวอย่างนั่นแหละอย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทางานราชการงานตรงอยู่ด้วยกันนี่คนนึงเนี่ยปจบสอคลอถือว่าเป็นเป็นเป็นกรมไม่ดีใช่ไห มันก็ไม่ดีแล้วใช่นะครับเบอกว่าเขาก็ก้าหน้าไปกก้าหน้าโดยความสอทพอนั่นแล้วแน่มันจะกล้าไปไหนมันกล้าวดยความซอทเพอมันจะกล้าไปไหนมันขึ้นฟางเมฆมันก็ไปดยความสอพรแน่มันจะเลยประิดจันท์มันก็ดยความซอพอรมเขาบาก็ทอดผ้อยครับมันทอดอยะครับคือบางคนเราเขายังไม่ถึง้คหลอกิา มันรอดไว้ไม่ไม่อยากจะทําความดีแหะอยากจะมาจบสอพอแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไอ้จิเตเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่อางนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันอาจาอาจารย์สอพออาจารย์ม่นสอพอจะจนจะจนแบบหลงตาบัวดีดีกว่าเ <c oughs> แต่หลวงตาบวจะอยู่อย่างนี้แหละสอพอไม่เป็นใครจะว่าหลงตาบววชั่วกว่าชั่วไปหลงตาบวจะอยู่แบบนี้ก็นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องของโลกมันอนิยามไม่ได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่มีเดียมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้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 เราเป็นนักกีฬาฟากันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรแต่เวลาเสียงมันดังขึ้นบังก่อนจรุนาระวังนะคเวลาฟ้ามันไม่มันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตกมันต้องกระหึ่มกระหึ่มบ้างเตี่ยงนุ่นเจี่ยงนี้แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใครไหมล่ะเหตุการณ์ปัจจุบันนะอาจารย์มันทำให้เราเห็นตัวอย่างที่มันมันไม่เหมือนกั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 อ่าเข้าใจ <laughs> แล้ว่าแตมันพุ่งพุ่ ง, งเวลามันตกไม่พูดอันนี้ก็เวลาเขาพุ่งพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อก็ไม่มีน้ำมันมันหมดน้ํามันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะั้นเราจึงเพิ่มน้มันเรื่อยๆนะ<ช>ถ้ามันอยากให้เรืงบินเราตกให้เิ่มน้ามันเรื่อยๆมันจะคอยผลักา<ห><ห>พาเราไปเรื่อยๆหอแปลกใจว่าทำไม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 ความดีอยากให้เกิดเพใหะสร้างความดีให้มีความดีให้หนุนไปเรื่อยๆอย่างพระุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิสุทธิชนออกจากความนี <c> ้ท <ots> like er e ั้งนั้นหนุนก <c> ันไปจนกระทั <c> ่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีแตทางจมเรื่อยๆเอาตรงนี้ทำไมเอ่อติดภาพสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไอเหมือนไอพ่นใช่ไม่เด็กกนิ่งไปเรื่อยแต่ถ้าทังถึงถึงขั้น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 นี่แล้วอันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดที่เราพูดที่นี้เราพูดเรื่องอนิจจังต่างหานี่อีกอันเรื่องอนัตตานี่นะคือถ้างเผื่อมันเป็นของที่รอกกายแล้วก็เป็นสิ่งของที่เรารักใช่มากมันก็นึกออกว่อันนี้มานอนัตตามันจะสูญจะหายจะพังก็ไม่คอยบว่าแต่เนี่ยมันยี่กล้คิดตัวเข้ามาแล้วเป็นของที่เรารักมากทายังไงที่จะ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 ถ้าเกิว่าในโลกของเราทุกวันนี้วงนัง้นคงอย่างนี้นะฮะถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมะายว่าไม่ทําเด็ขาดใช่หือไม่สนใจใครจะมาเอาอะไรก็ตามบ้านเมืองเราจะเจริญยังไงะะอันนี้มุกอยู่ในโรเซียะโลกียะนะฮะไม่ใช่โลกนะครับลองทำกันบ้างเหลืถอล่ะแด้บอได้ลองทํำทุกคนนลยลูกคือว่าทุกคนนะทําเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเรา ไม่ผสแต่ก็ไรเลยในบ้านเราจะเรียนไหมเราได้ทํากันบ้างแล้วยังก็ก็คิดว่าถ้าทํามันกคงจะไม่เกอนถ้ติดตามภาษาผมนะครับถ้าองั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมไอ้ขัาธรรมชาตเฉยก็ใช้ตอบธรรมามตอบไม่ได้ถึงของงดอันนี้ไม่ตอบมีเป็นกาตอบแล้วเนี่ยนุ่ มันตอบแล้วนั่นนี่นะอย่าเข้าใจว่าไม่ตอบตอบแล้วบางคนจะไม่เข้าใจว่าท่านไม่ตอบต่างคนต่า ง, งให้เฉยไปทั้งหมดนี่ถ้าต่างคนต่างให้เฉยหมดแสดงยังไม่เฉย ก็จะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผมต้องพางมาตามเหตุมานะไอะนี่เหตุเป็นยังไม่มีเลยถ้าตอบผลก่อนแล้วมันตอบไม่ได้ขังจริงดเนี่ยก็คือการตอบแล้วนั่นเองยังไงหมดปัญหาแล้วที่จะพักนอนกันนะเจ็บนี้กําลังขนาดนี้กําลังนอนกําลังกิน นอนก็ล่มกรอกเลยถึงหมอนมาถึงช่างก็งุ่นเช้างัอยคว้าหากันถ้าจับคว้านะคราวนี้เอาจริงๆหลับครอบเลยมี <c oughs> อ, นนอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอาจารย์นิ้สาวไงคุณตัวคุณอาจาร์ความตามพุทธบวชนี่ก็ทำความเราความดีไยเยอะแต่ทำไมท่านถึงมีเรื่อง ไม่ินหลักก่เราอย่างคนธรรมดาเนี่ยถึงไมมติก็มีเทวทัตมาป่นถึงลงมาจะเขาเจงระนนแบบนี้ยอ๋อดทีเราเดินชมในป่าดูบากเราังมันยัเห็นเราวาวานอยูม่เละรภาษาคนทั่วกระภาษาคนทั่วใช่ไหมเล็กร้อยผิดกันแยะเนียเยียมกับพระพุทธเจ้าเลย่พุทธเจ้าท่านทำความดี มากเราไม่จะมีมีพันเะแา้วท่านยังมีสิ่งไร้ประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเราี้ถ้าเผื่อว่าเกียบเทียบเรมีเราทำเต็นที่เดียวผมแค่เนี่ยเราไม่อยากมันพระเจ้านะแต่เราเรานั่งภาวนายูงมันกเราได้ยูตัวเล็กๆนี่ยมันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่เหมือนพระเจ้ายูมันไม่ว่าเอ๊ยดิกานหลังภาวนานามไ่เห็นว่ามันมันกัดได้มีเรื่องของยูงเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะ ตงเหลือตองดึงมาขันหน้ามิค<ส>ือจะนั่งอยู่ที่ยืนอยู่โดยเดินกลมย่างนี้มดมันขันเราได้าใจเนี้ยมันทำให้กัดอันเป็เรื่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้เป็นเรื่องของเราที่เราจะทําดีของเราจะทำด้วยกันอย่างรุ่งจ้างเขาจะว่าแเราก็เฉยใครจะมีตีพ่อใคาจะมาปูพยาบาทอาภาษทพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์พอเมื่อเราเดินเดินกมนั่งสมาธิทอนายยุงกัดก็เฉยมดกัดมดกัดก็เฉยเจ็บออกเขี้ยหามันเจ็บมากก็มันออกเขี้ยก็เดินกลมขอเราไป ถามว่าเราเนี่เราเดินกมนนั่งเพรที่แท้ทำามอยู่มากันเราเราอยู่สบาที่จะดีกว่ามันก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าเขาเขามาทำาออทั่งพเจ้าอยุดเสียใพระพุทธเจ้าเขา็นะไม่ได้ฟังเรื่องคนชั่วเราประมาทไม่ได้ที่จะกล่ า, าเราเป็นคนดีเรามีขอบเสดจเรายู่มาแล้วก็ทำใหไปใช <c oughs> ่ถ้จะมาเข้าใจถ้งอีก เรื ăm, for ่องกรรมเรื่องเวรมันมีทั่วไปไม่มีทีุ่ทา้พระพเจ้าก็กล่าว่มันมีกรรมมันดูคล้ายๆแต่ว่าถ้ามีกรรมเยอะๆมีการสวนทางอาจารย์ว่าเรื่องที่บาปกรรมที่มันเกี่ยวกับส่วนร่างกายมันมีได้ทางอาจารย์ว่าเส่วนบริสุทธิ์นั้นมันมีอะไรที่จะติดกรมได้เลยเ่งกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่บากมันมีทางมีได้เหงพระพุทเจ้าอาจารย์เขพูดได้ทีรท้างเราพระเทวภาพนี่อะไนี้เป็นต้น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 เนี่ยเปิดเบื้องต้นเหมดแล้วเนี้ยของใครล่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับแตกต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งเขาหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาบทองคําผ่านหนึ่งเอาเป็นเป็นสนิมจับเกลางหมดแต่ไม่ใช่สนิมขวกองคำนะสนิมที่ว่าตักก็ตกได้พูดง่าย ก็แม่ไม่มีอะไรแต่อยากได้เครื่องกระดับนี้ให้หลานแล้วแม่มีถาดใบเดียวเนี่จะให้แม่ทนายก็แม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ขอเอาถาดให้เกียนลูกเห็นว่าไงแล้วท่านนี้เขมองเห็นพระเถรทานนะเขมองเห็นเขาโอบอุมันถาดคงทันาโอ๊ยของอย่างนี้เอาไปยังไงนี่ของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้เห็นใช้ไม่ได้ว่างง้นนะแล้วใจก็มีความก็หวลอยู่แล้ว ยังไงเราต้องมีหวังเราไปขายของสื่อไปก่อนแล้วที่กลับมาพอดีพระ พ, พุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันแล้วนเวน่ยไปพอไปเห็นเหลยาตัวนั้นก็มาหาอีอย่างว่านนะ่โอโ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตั้งแต่ร่างเดิมนี่ผ่ามันเป็นถาของคำราคาทั้งหมดที่ของทกลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็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 ในริเวณของของพระเจ้าท่านกบพระพุเจ้าเริ่มตึงมาตั้งอยูนั้นคือโ ล, มโ ล, โ ล, โลม่มากโล่มโล่มโล่มนักมาราบหายน่ะราบหายแล้วกาะเวรที่มาน่ะที่จะขายที่อยู่นี้ก่อนที่จะกลับมาเอาอย่างไรก็อยู่ในเนื้อมือเราเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเพราะกม็มือมื อ, มอมนกันนึกว่ามีเนื้อมือแต่ตัวเองเ <c oughs> ขาเอาไปกิงเนี่ย่ซะเรื่องเป็นต้นไนมันเป็นไปได้เรื่องกรรมที่จะติดตาม ที่บ่าสขันนม่ท่านเป็นทหารแม่ท่าน ม, มีแต่จะไม่่ ส, ม ส, มสามารถ ท, าาที่ให้คุณภาพที่ดใจให้ท่านให้เป็นความเอียงๆระดาบนั้นได้ไม่มีปัญหาอะไงนที่มีปัญหาที่สามตัอนี้ลงมาด้ไหมัถ้าอย่างนั้นถ้าบูคนเราธรรมดานี่ถ้าเือว่า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 อมี่เราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมอันนัาจเหมือนกันกรเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะไปถอยไปยังไงหมดปัญหาแล้วยังข้ อ, อนี้เอไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดจีมหมายอยางแตกแตกระเบิด ร, เ บ, ด ร, เ, บดรเบิดไปชีวิตเราจึงมีอยู่หามสาส่หม่ปลายเรื่องจนถึงจุดหมายป ล, ลายทาง ตอนพุธห้าสิบกี่ออกกี่ครั้งเจ็ดโมงคนงานก็กินข้าวเสร็จไปไม่สายเลยแปดทีเนี่ยอีกไหมอ่ะเนี่ยอีกไหมปัญหาพอนนี้ก็เทื่อนั่ง มปัญหาเื่อยจะปัญหาเดียวการก็ข้างปัญหานี่งการบรรลุสิทข้างก็ข้างปัญหาอันเดียวนี้เหมือนกันเป็นงออกจากนี้แต่ก็นอนระวังมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาเดียวเหนื่อยอ่ฮ่าฮ่านี้ค่าฮ่าฮ่าฮ่านอนฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่